ปกติฉันนอนประมาณห้าทุ่มและตื่นราวตีห้าเพื่อลุกขึ้นแอบน้ำเตรียมตัวไปทำงานแต่เมื่อศรัทธาในทางพ้นทุกข์คือสติปฐานสี่เวลานอนและตื่นก็ถูกกำหนดขึ้นใหม่คือเข้านอนสี่ทุ่มและตื่นตีสี่ฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าอาณาปานาสติเต็มขั้นของพระพุทธเจ้านั้น